บทที่9กล้าตัดสินใจจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งขั้นตอนที่เจสู่ความร่ำรวยการวิเคราะห์ผู้คนมากกว่า2 5ง0 0ืคนที่ประสบความล้มเหลวพบว่าความไม่กล้าตัดสินใจอยู่ในอันดับต้นๆของสาเหตุความล้มเหลวสาบเอดข้อการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งตรงข้ามกับความกล้าตัดสินใจเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทุกคนต้องต่อสู้ เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเริ่มนําหลักการไปปฏิบัติแล้วคุณจะมีโอกาสในการทดสอบศักยภาพของตัวเองในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแน่นอนผมได้วิเคราะห์คนหลายร้อยคนที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้นับล้านดอลลาร์และได้ค้นพบความจริงว่าทุกคนล้วนมีนิสัยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นแทบจะไม่มีข้อยกเว้นเลย สำหรับคนที่ล้มเหลวในการสร้างความร่ำรวยว่ามักมีนิสัยไม่กล้าตัดสินใจตัดสินใจช้าเปลี่ยนใจง่ายและบ่อยๆหนึ่งในลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเฮนรี f ฟอดคือนิสัยการตัดสินใจที่รวดเร็วแน่นอนและไม่เปลี่ยนใจง่ายๆของเขาคุณลักษณะนี้ทำให้ฟอดมีกิตติศัพท์โด่งดังเรื่องความดื้อดึงมันเป็นคุณลักษณะที่ทาให้ฟอดยังคงยืนยันที่จะผลิตรถยนต์ ซึ่งมีชื่อเสียงคือโมเดลทีรถยนต์ที่อัปลักษณ์ที่สุดในโลกในขณะที่ที่ปรึกษาทุกคนรวมถึงผู้ซื้อรถยนต์ต่างก็โต้แย้งต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงรถรุ่นนี้เสียบางทีฟอร์ดอาจจะรีรอนานเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงแต่อีกมุมหนึ่งของเรื่องก็คือการตัดสินใจที่หนักแน่นมั่นคงของฟอร์ดกลับสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้เขามีบางคนบอกว่า การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของฟอร์ดคือความดื้อดึงแต่คุณลักษณะนี้ก็ยังดีกว่าความไม่กล้าตัดสินใจและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างง่ายดายบทวิจารณ์ความแน่นอนหรือความชัดเจนในการตัดสินใจของแฮร์รี่ฟอร์ดยังรวมไปถึงสีของรถยนต์โมเดล T ทั้ง15ล้านคันตลอด19ปีของการผลิตตั้งแต่ปีคิตศราช1908ถึง1927ล้วนแล้วจะเป็นสีดำทั้งหมด หลังจากการเปิดตัวไปไม่นานนโปเลียนฮิวได้พบกับฟอร์ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหลักการแห่งความสำเร็จจากหนังสือ A Lifetime of a c h i e v e e t s The Biography of Napoleon Hill นั้นได้กล่าวถึงเฮริฟอร์ดไว้ว่าถ้าหากฟอร์ดไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับรถของเขาแล้วเขาดูเป็นคนค่อนข้างเย็นชาไม่ใส่ใจไม่กระตือรือร้นและจะพูดเมื่อถูกกระตุ้นเท่านั้นนอกจากคารนี้แล้วก็มีน้อยคนนัก ที่จะสามารถคาดคะเนความสำเร็จของฟอร์ดได้ฮิลยอมรับฟอร์ดในเรื่องของการควบคุมตัวเองและความตั้งใจจริงเป็นอย่างมากตอนที่ฮิลได้พบกับฟอร์ดครั้งแรกในปีคิตศกราช1911ฟอร์ดสนใจจะพูดแต่เรื่องรถยนต์โมเดล T หลังจากฟอร์ดพาเขาทัวร์รอบโรงงานแล้วฮิลก็ได้ซื้อรถราคา680ดอลลาร์ไปหนึ่งคันจบบทวิจารณ์ตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในการจะได้มาซึ่งเงินทองที่เขาต้องการนั้นมักจะถูกชักจูงด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายเกินไปเขามักจะไปรับเอาคำนินทาข่าวลือความคิดเห็นของคนอื่นและรายงานข่าวซึ่งมีผลต่อความคิดของตัวเองความคิดเห็นเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในโลกทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นมากมายที่พร้อมจะเล่าให้กับใครก็ได้ที่จะฟังในเวลาที่ต้องตัดสินใจ ถ้าคุณถูกคนอื่นชักจูงได้ง่ายเกินไปคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองถ้าคุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดเห็นของคนอื่นคุณจะไม่มีปณิธานของตนเองจงเก็บรักษาข้อเสนอแนะของตัวคุณเองไว้เมื่อคุณเริ่มต้นนาหลักการไปปฏิบัติจงเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจและมั่นคงต่อไปในการตัดสินใจของคุณ อย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจของคุณเว้นแต่ทีมงานระดมความคิดของคุณเท่านั้นและคุณต้องมั่นใจว่าคุณได้เลือกคนในทีมงานที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันไม่ยกเว้นว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติซึ่งมักเป็นอุปสรรคกับเราด้วยความคิดเห็นและบางครั้งก็เยาะเย้ยคิดว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผู้คนชายหญิงนับพันรู้สึกต่ำต้อยไปตลอดชีวิต เพียงเพราะคำพูดที่ไม่ระวังของคนบางคนไปทําลายความมั่นใจด้วยความคิดเห็นหรือการเยาะเย้ยคุณมีสมองและจิตใจของตัวเองจงใช้มันและกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าคุณต้องการข้อเท็จจริงหรือข้อมูลจากผู้อื่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจควรหาข้อมูลอย่างเงียบๆโดยอย่าเปิดเผยเป้าหมายของคุณออกไปมันเป็นธรรมดาของคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มาก มักจะพยายามแสดงออกว่าตัวเองรู้มากกว่าจะลงมือทาคนพวกนี้มักจะพูดมากแต่ฟังคนอื่นน้อยถ้าคุณปรารถนาจะมีนิสัยกล้าตัดสินใจก็จงเปิดหูเปิดตากว้างๆไว้และปิดปากของคุณคนที่พูดมากมักไม่ค่อยทาถ้าคุณพูดมากกว่าฟังคุณจะพลาดความรู้สำคัญที่อาจจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณการพูดมากเกินไปอาจทำให้คุณ เผยเปิดเผยแผนการและเป้าหมายออกไปให้คนที่อยากเห็นคุณพ่ายแพ้เพราะว่าเขาอิจฉาคุณจงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณเปิดปากพูดพูดคุยกับผู้รู้คุณจะแสดงว่าตัวเองมีความรู้มากมายแล้วหรือจะแสดงให้เขาเห็นว่าไม่มีความรู้สั ญ, ญลักษณ์ของผู้มีสติปัญญาที่แท้จริงก็คือเงียบและถ่อมตนคิดไว้ในใจเสมอว่าทุกๆคนก็เป็นเหมือนคุณ คือสแสวงหาโอกาสที่จะทำเงินถ้าคุณพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของคุณง่ายเกินไปคุณอาจต้องประหลาดใจเมื่อได้เรียนรู้ว่ามีคนเอาชนะคุณได้ง่ายๆโดยแผนการที่คุณพูดออกไปนั่นเองจงให้การตัดสินใจแรกของคุณเป็นการปิดปากเงียบแต่เปิดหูเปิดตาไว้เพื่อเตือนใจตัวเองจงทำสำเนาบทกวีต่อไปนี้ไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ ในที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายทุกวันจงแสดงออกด้วยการกระทำก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้หรืออีกความหมายหนึ่งมิใช่คำพูดแต่เป็นการกระทำต่างหากที่มีค่าคุณค่าของการตัดสินใจขึ้นกับความกล้าหาญที่จะใช้มันการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะรับใช้องค์กรอาจต้องเสี่ยงถึงชีวิต การตัดสินใจของลินคอนคือการประกาศเลิกทาสให้อิสรภาพแก่ชาวอเมริกันแอฟริกันซึ่งการกระทำของเขาทำให้เพื่อนและผู้สนับสนุนทางการเมืองนับพันคนเป็นปฏิปักษ์กับเขาเมื่อผู้ปกครองรัฐเอเธนให้โซเครติสเลือกระหว่างการยกเลิกคำสอนของเขาหรือความตายโซเครติสตัดสินใจดื่มยาพิษมากกว่าจะยอมทรยศ ต่อความเชื่อของตัวเองนี่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญยิ่งทำให้ผู้คนได้มีสิทธิ์และเสรีภาพในความคิดและการพูดห6ชีวิตที่พร้อมจะเสี่ยงต่อการถูกแขวนคอการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวอเมริกันทุกคนต้องจดจำเกิดขึ้นที่ฟิลาเดลเฟียวันที่สี่กรกฎาคมปีคิเตศักราช1776เมื่อชายห้คน ร่วมกันลงนามพวกเขากำลังจะนำอิสรภาพมาสู่ชาวอเมริกันทั้งมวลหรือไม่ก็ถูกแขวนคอตายหมดคุณคงเคยได้ยินคำประกาศอิสรภาพอันมีชื่อเสียงแล้วแต่ความสำเร็จนี้มันสอนบทเรียนอะไรให้คุณบ้างหรือไม่พวกเราทุกคนจำวันแห่งการตัดสินใจนั้นได้แต่น้อยคนนักจะตระหนักว่าการตัดสินใจนั้นต้องใช้ความกล้าหาญเพียงใด เราจำประวัติศาสตร์ของเราได้ดีตามที่ถูกสอนกันมาเราจำวันที่ได้จำรายชื่อคนที่ร่วมกันต่อสู้ได้เราจดจำวันเลฟอร์สและยอร์คทาวได้เราจดจำ จ, ำจอร์จวอชิงตันและลอร์ดคอนโวลิสได้แต่กลับรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับพลังผลักดันที่อยู่เบื้องหลังรายชื่อวันและสถานที่เหล่านั้น เรารู้เกี่ยวกับพลังที่จับต้องไม่ได้น้อยมากทาั้งทงที่มันได้สร้างอิสรภาพให้เราก่อนที่กองทัพของจอร์จวอชิงตันจะเข้ายึดยอกทาวเสอีกเป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่นักเขียนประวัติศาสตร์ละเลยและไม่ค่อยได้อ้างถึงพลังที่ยากจะต้านทานมันได้ให้กำเนิดชาติและเสรีภาพซึ่งจะสร้างมาตรฐานใหม่แห่งอิสรภาพให้แก่ทุกคนทั่วโลกผมพูดว่า มันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจเพราะมันเป็นพลังเดียวกันกับที่เราต้องใช้เพื่อเอาชนะความยากลำบากในชีวิตและเป็นต้นทุนของชีวิตซึ่งมีราคาที่เราต้องจ่ายเราลองมาทบทวนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดพลังอำนาจนี้เหตุการณ์นี้เริ่มที่บอสตันในวันที่5มีนาคมปีคิเตศกราช1770ทหารอังกฤษกาลังลาดตระเวนตรวจตราไปตามถนน ค่มคู่ประชาชนอย่างเปิดเผยบรรดาผู้ที่ไปอาศัยในอนานิคมเริ่มไม่พอใจทหารที่เดินแถวเข้าไปท่ามกลางชุมชนเขาเริ่มแสดงออกอย่างเปิดเผยด้วยการคว้างปาก้อนหินพร้อมกับด่าทอด้วยคำหยาบคายไปยังทหารที่เดินแถวจนกระทั่งผู้บัญชาการออกคำสั่งติดดาบปลายปืนปฏิบัติสงครามได้เริ่มขึ้น ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายมากมายเหตุการณ์นั้นเร่งร้าวความเครียดแค้นสมัชชาท้องถิน่นมาจากประชาชนในอนานิคมต้องเรียกประชุมเพื่อวางเป้าหมายปฏิบัติการสมาชิกสองคนจากสมัชชานั้นคือจอห์นแฮนกและแซมัวออดัมได้พูดอย่างกล้าหาญและประกาศว่าต้องมีการขับไล่กองทหารอังกฤษออกไปจากวอสตันให้หมด โปรดจดจำเหตุการณ์นี้ให้ดีเพราะอาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจของชายสองคนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่พวกเราชาวอเมริกันได้ชื่นชมกันจวบจนทุกวันนี้และจําไว้ด้วยว่าการตัดสินใจของคนทั้งสองจำเป็นต้องอาศัยศรัทธาและความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีอันตรายรออยู่ก่อนที่สมัชชาจะเปิดประชุมแซมมัวออดัม ได้รับมอบหมายให้ไปพบกับฮัชชินสันผู้ว่าการปกครองท้องถิน่นและเรียกร้องให้ถอนทหารอังกฤษออกไปข้อเสนอได้รับการยอมรับและได้มีการถอนกำลังทหารออกจากบอสตันแต่เหตุการณ์ยังไม่ยุติและกลับเป็นสาเหตุทำให้เกิดสถานการณ์ซึ่งลงเอยด้วยการเปลี่ยนแปลงอารยาธรรมของสหรัฐอเมริกาไปตลอดกาลริชาเฮนรี่รีกลายเป็นตัวละครสาคัญของเรื่องนี้ เนื่องจากเขาและแซมมัวออดัมประสานงานกาันและเปลี่ยนทั้งความวิตกกังวลและความหวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จากจุดนี้ทำให้ออดัมได้แนวคิดที่จะส่งจดหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอนาณิคมทั้ง13แห่งเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีคิสตหนักราชยเสองปีหลังจากการประจันหน้า กับกองทหารในบอสตันอดัมเสนอแนวความคิดกับสมัชชาในการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในระหว่างอนาธิคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกฐานะของอนาธิคมแห่งบิทิสอเมริกามันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดองค์กรของพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำมาซึ่งอิสรภาพของคุณและผมได้มีการจัดตั้งทีมงานระดมความคิดขึ้นประกอบด้วยอดัมส ลี Lee, และแฮนคอกบัดนี้คณะกรรมาการประสานงานได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ประชาชนในอนาธิคมได้ทำการต่อต้านทหารอังกฤษอย่างไร้ระเบียบคล้ายๆกับเหตุการณ์ความไม่สงบในบอสตันซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ละคนมีความขุ่นข้องหมองใจแต่ปราศจากการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีทีมงานระดมความคิดไม่มีกลุ่มใดทุ่มเทหัวใจพลังใจ จิตวิญญาณและร่างกายเข้าด้วยกันให้เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเป็นเอกภาพในการต่อกรกับอังกฤษจนกระทั่งอดัมส์ลีและแฮนค็อกไดมารวมพลังกันในระหว่างนั้นพวกอังกฤษก็มีได้นิ่งดูได้แต่กำลังวางแผนอะไรบางอย่างและมีการระดมความคิดเช่นเดียวกันพวกเขาได้เปรียบทั้งกำลังเงินและกาลังทหารที่ได้รับการจัดตั้งมาเป็นอย่างดี การตัดสินใจเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การที่อังกฤษแต่งตั้งเกตมาแทนฮัชชินสันในฐานะผู้ว่าการรัฐเมสซาสุเซตปฏิบัติการแรกของผู้ว่าการคนใหม่คือการส่งสารเรียกร้องให้แซมมัวอดัมยุติความพยายามในการต่อต้านอังกฤษคุณจะเข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นจากบทสนทนาอันน่าสะพึงกลัวระหว่างพันเอกแฟนตันผู้นำศาลจากเกตและอดัม พันเอกแฟนตันกล่าวว่าผมได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการเกตให้ยืนยันกับคุณอดัมส์ว่าท่านผู้ว่าการได้รับมอบหมายอำนาจให้พูดคุยกับคุณถึงผลประโยชน์ที่คุณพอใจเป็นการพยายามเอาชนะอดัมด้วยการติดสินบนหากคุณยุติการเป็นปฏิปัติกับรัฐบาลอังกฤษท่านผู้ว่าการแนะนําว่าคุณไม่ควรทําให้กษัตริย์แห่งอังกฤษไม่พอพระใย จากพฤติกรรมของคุณที่ผ่านมาจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแห่งกษัตริย์เฮนรี่ที่8ซึ่งบุคคล น, นั้นต้องถูกส่งตัวไปอังกฤษเพื่อพิจารณาโทษฐานกระบทหรือร่วมมือกับกระบทท้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้ว่าการแต่ด้วยการเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองไม่เพียงแต่คุณจะได้ผลประโยชน์มหาศาลแล้วเท่านั้นแต่คุณจะได้ช่วยสร้างสันติสุขแด่องค์กษัตริย์ด้วยแซมมัวออดัม มีทางเลือกสองทางให้ตัดสินใจเขาจะยุติการเป็นปฏิปักษ์และรับสินบนหรือจะเดินหน้าต่อไปและต้องเสี่ยงที่จะถูกแขวนคอชัดเจนว่าเวลานั้นได้มาถึงเมื่ออดัมถูกกดดันให้ตัดสินใจซึ่งต้องเดิมพันด้วยชีวิตเขายืนกรานต่อผู้พันเฟนตันให้แจ้งคำตอบของเขาไปให้ผู้ว่าการตามที่เขาได้บอกกับเฟนตันอดัมตอบกลับว่า ขอให้คุณกลับไปบอกผู้ว่าการเกตว่าผมมั่นใจว่าได้สร้างสันติภาพแดกษัตริมาตลอดไม่มีข้อเสนอใดๆจะมาชักจูงให้ผมละทิ้งความชอบธรรมของประเทศได้และช่วยบอกคำแนะนำของแซมมัวอดัมไปยังผู้ว่าการเกตด้วยว่าอย่าดูหมิ่นความรู้สึ ก, กโกรธแค้นของประชาชนเมื่อผู้ว่าการเกตได้รับคาตอบกลับของอดัมแล้ว <c oughs> เขาก็บ ร, รดาลโทรศัท์ และมีคำประกาศออกมาว่าข้าพเจ้าในนามของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ท, ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษให้แก่บุคคลทุกคนที่ยอมแพ้และกลับมาเป็นข้าแผ่นดินเพื่อความสงบสุขให้ยกเว้นการอภัยโทษแก่แซมมัวอดัมและจอห์นแฮนกผู้กระทำผิดอย่างมหันซึ่งสมควรลงโทษอย่างสาสม อดัมและแฮนคอร์กอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมคำขู่ของผู้ว่าการที่กำลังโกรธแค้นกดดันให้ทั้งคู่ต้องตัดสินใจทำอะไรที่อันตรายพอๆกันพวกเขาเรียกประชุมลับบรรดาสมาชิกร่วมอุดมการหลังจากที่องค์ประชุมพร้อมแล้วอดัมก็ล็อกประตูพร้อมกับหย่อนกุญแจลงในกระเป๋าเสือ้อและแจ้งต่อผู้ร่วมประชุมว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการจัดระเบียบอนานิคมใหม่ และไม่ให้ใครออกไปจากห้องจนกว่าการตัดสินใจของสภาแห่งนี้จะได้ข้อยุติความตื่นเต้นก็ตามมาบางคนช่างน้ำหนักผลของความรุนแรงที่จะตามมาบางคนยังลังเลสงสัยว่าเป็นการฉลาดหรือไม่ที่จะตัดสินใจต่อต้อตานอำนาจแห่งกษัตริย์แต่ในห้องที่ถูกล็อกนั้นมีชายสองคนที่ปราศจากความกลัวในจิตใจมองไม่เห็นโอกาสที่จะล้มเหลว นั่นก็คือแฮนกและอดัมนั่นเองทั้งคู่ได้ใช้พลังใจเพื่อนโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นๆด้วยความเห็นพ้องต้องกันของที่ประชุมโดยจัดให้มีการประชุมสภาแห่งทวีป Correspondent Continental Congress ครั้งแรกขึ้นที่ฟิลาเดลเฟียในวันที่ห้ากันยายนปีคิตศกรา .1774 โปรดจำวันนี้ไว้ให้ดีเพราะมันสำคัญยิ่งกว่า วันที่4กรกฎาคมปีคิศักราช1776เซอีกเพราะถ้าไม่มีการตัดสินใจตั้งสภาแห่งทวีปแล้วการประกาศเอกราชก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นก่อนการประชุมครั้งแรกของสภาใหม่จะเริ่มขึ้นผู้นำอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกส่วนหนึ่งของประเทศกำลังร่างสาระสำคัญแห่งสิทธิ์ของ b ริติส h a อเมริกาด้วยความยากลำบาก เขาคือโทมัสเจฟเฟอร์สันแห่งวอจิเนียผู้ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับหลอดดันมอร์ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ประจําวอจิเนียเขาก็มีปัญหากับผู้ว่าการเหมือนแฮนด์คอกและอดัมไม่นานหลังจากที่ได้ตีพิมพ์สาระสําคัญแห่งสิบเจฟเฟอร์สันก็ได้รับแจ้งว่าเขาโดนข้อหากบฏต่อรัฐบาลแห่งกษัตริย์อังกฤษและยังได้สร้างแรงกดดันให้เพื่อนร่วมงานของเจฟเฟอร์สันคนหนึ่งคือ แพทริกเฮนรีซึ่งได้กล่าวประโยคอันเป็นอมตะว่าถ้าทำแบบนี้เป็นกบฏก็กบฏให้มันถึงที่สุดไปเลยผู้คนเหล่านี้ไม่มีพลังไม่มีอำนาจไม่มีกองทหารที่เข้มแข็งไม่มีเงินแต่ก็มานั่งร่วมกันพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังถึงข้อยุติของกลุ่มอนาธิคมซึ่งเริ่มต้นจากการเปิดการประชุมสภาแห่งทวีปครั้งแรก และดำเนินการต่อเนื่องในช่วงเวลาสองปีจนถึงวันที่เจ็ดกรกฎดาคมปีคิเตศกราช1776ริชาร์ดเฮนรี่ลีลุกขึ้นกล่าวกับคณะกรรมการเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มรวมตัวการเคลื่อนไหวว่าท่านสุภาพบุรุษผมเสนอให้อนานิคมแต่ละกลุ่มร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิอันชอบธรรมอิสรภาพ และเอกราชของสหพันธรัฐปลดเปลื้องตัวเราจากจากักรวรรดิอังกฤษและจากการติดต่อทางการเมืองในทุกด้านบันทึกการตัดสินใจเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่มีการพูดคุยถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของลีอย่างรุนแรงและยาวนานจนเขาเริ่มหมดความอดทนหลังโต้เถียงกันหลายวันแล้วลีจึงประกาศอย่างจริงจังว่าท่านประธานเราได้พูดคุยประเด็นนี้กันมาหลายวันแล้ว มันเป็นหนทางเดียวของเราเราจะรอกันไปอีกทำไมทำไมยังต้องปรึกษาหารือกันอีกมากำหนดวันเริ่มต้นแห่งสาธารณรัฐอเมริกากันเถอะให้ประเทศเราลุกขึ้นไม่มีท้อแท้สิ้นหวังมีแต่ชัยชนะแต่เพื่อสถาปนาสันติภาพและกฎหมายของเราก่อนที่อติของเขาจะได้รับการลงคะแนนในที่สุดลีก็ถูกเรียกกลับบัวจีเนียเนื่องจากคนในครอบครัวป่วยหนัก แต่ก่อนจะจากไปเขาฝากงานสำคัญไว้ในมือของเพื่อนคือโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งสัญญาว่าจะต่อสู้จนเป็นผลสำเร็จไม่นานหลังจากนั้นประธานสภาแฮนคอกก็ได้แต่งตั้งเจฟเฟอร์สันเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างคำประกาศอิสรภาพคณะกรรมการทำงานด้วยความยากลำบาก จนได้รับการรับรองเอกสารชิ้นหนึ่งจากสภาซึ่งทุกคนร่วมลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแห่งความตายเนื่องจากกลุ่มอนาธิคมน่าจะพ่ายแพ้กับการต่อสู้กับอังกฤษอย่างแน่นอนเอกสารถูกยกร่างขึ้นและในวันที่28มิถุนายนมีการอ่านสารในสภาและต้องใช้เวลาพิจารณาต่ออีกหลายวันจบจนถึงวันที่4กรกฎาคม ปีคิตศักราช1776โทมัสเจฟเฟอร์สันได้ยืนต่อหน้าที่ประชุมและอ่านร่างการตัดสินใจด้วยความห้าวหาญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและการสร้างชาติใหม่เราจึงมีความจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับชาติอื่นรวมไปถึงการยอมรับพลวัตแห่งโลกที่กำลังเปลี่ยนไปกฎธรรมชาติและพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้สิทธิแห่งการแยกตัว และความเท่าเทียมกันการยอมรับนับถือความคิดเห็นของมนุษยชาติทำให้เราจำเป็นจะต้องประกาศเหตุปัจจัยที่ต้องผลักดันพวกเขาให้ออกไปเมื่อเจฟฟ์สันอ่านสารจบสารนั้นก็ได้รับการลงคะแนนยอมรับและเซ็นชื่อโดยคนห6สิคนทุกคนเดิมพันชีวิตด้วยการตัดสินใจเขียนชื่อลงไปในเอกสารนั้นการตัดสินใจนั้น นำไปสู่การคงอยู่ของชาติใหม่ชาติหนึ่งและลงเอยด้วยการตัดสินใจอันนำสิทธิประโยชน์มาสู่มวลมนุษยชาติตลอดไปจากการวิเคราะห์เหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่การประกาศอิสรภาพยืนยันว่าประเทศซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับนับถือและมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นได้ถือกาเนิดมาจากการตัดสินใจที่จะสร้างสารรค์ โดยทีมงานระดมความคิดทั้ง56คนจงตระหนักในความจริงที่ว่าการตัดสินใจของพวกเขาช่วยประกันความสําเร็จแก่กองทัพของวอร์ชิงตันเนื่องจากจิตวิญญาณแห่งการตัดสินใจนั้นคือหัวใจของเหล่าทหารที่รวมต่อสู้กับเขาทุกคนและยังให้พลังใจให้สู้โดยลืมคำว่าความพ่ายแพ้จงตระหนักไว้ด้วยว่า พลังที่สร้างอิสราภาพให้แก่ชาติเป็นพลังเดียวกันกับที่เราทุกคนต้องใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองพลังนี้ถูกสร้างมาจากหลักการที่ได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้มันไม่ยากเลยที่จะค้นให้พบหลักการที่ใช้ในการประกาศอิสราภาพอย่างน้อยหกประการอันได้แก่ปณิธานการตัดสินใจศรัทธาความมุ่งมั่น การระดมความคิดและการวางแผนเมื่อคุณรู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคุณก็จะได้ตามนั้นด้วยปรัชญานี้คุณจะพบคำอธิบายว่าความคิดที่มีปณิธานอันแรงกล้ายอยู่เบื้องหลังจะแปลเปลี่ยนตัวมันไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรเรื่องราวของการสร้างสหรัฐอเมริกาและเรื่องราวของการก่อตั้งบริษัทยูนเตสเตสตล เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการที่ความคิดแปรเปลี่ยนให้เกิดผลได้อย่างน่าประหลาดใจในการค้นหาความลับของวิธีการอย่ามองหาความหาัศจรรย์เพราะคุณจะหามันไม่เจอคุณจะพบแต่กฎธรรมชาติที่ไม่แปรเปลี่ยนกฎเกณฑ์นี้พร้อมแล้วสำหรับคนที่มีศรัทธาและกล้าที่จะใช้มันอาจใช้เพื่อสร้างอิสรภาพให้กับชาติ หรือสร้างความร่ำรวยก็ได้คนที่ตัดสินใจอย่างแน่นอนและเฉียบขาดจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้ตามนั้นตลอดทุกย่างก้าวของผู้นํานั้นจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วหนักแน่นและมั่นคงนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงได้เป็นผู้นําโลกเปิดทางไว้สําหรับคนที่สามารถบอกหรือแสดงออกมาให้เห็นว่าเขากําลังจะเดินไปทางไหน ความไม่กล้าตัดสินใจเป็นนิสัยอย่างหนึ่งซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นเด็กมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราโตขึ้นจนเข้าวัยประถมมัธยมและวิทยาลัยโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนนิสัยไม่กล้าตัดสินใจนี้จะติดตัวเด็กนักเรียนไปจนถึงตอนที่เขาและเธอต้องเลือกอาชีพโดยทั่วไปคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษา สหางานอะไรก็ได้ที่มีคนหนุ่มสาวรีบรับทำงานแรกที่เขาสามารถหาได้เพราะยังติดนิสัยไม่กล้าตัดสินใจทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ทำงานในตําแหน่งของตัวเองก็เพราะเขาขาดการตัดสินใจที่แน่นอนในการวางแผนตําแหน่งงานและความรู้ในการเลือกไหนจ้างการตัดสินใจที่แน่นอนจาเป็นต้องมีความกล้าบางครั้งต้องกล้าหาญอย่างมากด้วย ชายห้าคนที่ร่วมลงนามประกาศอิสระภาพได้วางเดิมพันชีวิตไว้กับลายเซ็นในเอกสารนั้นคนที่ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะทุ่มเททำงานยอมได้รับรางวัลชีวิตตอบแทนนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ต้องวางเดิมพันด้วยชีวิตแต่พวกเขาก็ต้องวางเดิมพันด้วยอิสรภาพทางการเงินผู้ที่เพิกเฉยละเลยต่อการวางแผน และไม่มีความต้องการจะได้อิสรภาพทางการเงินความร่ำรวยและตำแหน่งงานที่พึงพอใจก็จะไม่มีวันได้สิ่งเหล่านี้เช่นกันคนที่อยากรวยมีจิตวิญญาณเดียวกับที่แซมมัวอดาดัมมีความปรารถนาในอิสรภาพของอนณานิคมจงมั่นใจที่จะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองไม่มีใครบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ยอมอุทิศตนให้กับมัน